คือคนเนี่ยมันเนี่ยคนเน่ยเชื่อไหมถ้าตัวเองผิดให้อภัยได้เสมอไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองทําผิดนะมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกมันไม่เสียหายมากหรอกถ้าคดีประหารชีวิตเนี่ยนะโอ้จําคุกตลอดชีพก็พอไม่ถึงต้องกระเข่นต้องฆ่ากันหรอกเนี่ยนะอะไรเป็นต้นเนี่ยนะคือคือถ้าสําหรับตัวเองแล้วคนจะให้อภัยได้เสมอเมื่อตัวเองให้อภัยแก่ตัวเองได้เสมอเนี่ยพระนนเนี่ยท่านรู้ตัวว่าท่านนี่พลาดละเพราะ แทนที่ท่านจะอาราธนาท่านก็ไม่ได้อาราธนาเพราะการไม่อาราธนาบอาากว่าโอ้โหเรื่องนี้ยเราผิดคนเดียวพระพุทธเจ้าไม่ผิดเราก็ผิดพระพุทธเจ้าไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันก็จะให้อภัยตัวเองเสมอเพาราะัถ้าหากว่ามาตอกย้ำให้ตัวเองไม่สบายใจแล้วมีประโยชน์ไหมก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเพราะนนั้ท่านก็เนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะช่วยให้ท่านสางสาลงจากความโศกเนี่ยนะนะลำดับนั้นเมื่อพระองค์ ท่านพระนรนก็ทูลรับพระดำรัดพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้านะพร ะ, ระองค์ให้ไปแล้วพระนรนก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณ น, นั่งแล้วณที่โคนไม้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลจากที่ตรงนั้นเนี่ยนะที่จริงการปรินิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติว่าพระองค์นั้นถ้าสมมุติว่า พระองค์มีพระชนมายุร้อยปีเนี่ยนะพระองค์ก็ต้องปรินิพานตอนอายุแ0สิบปีเพราะว่าพระองค์นั้นจะต้องอพุทธสริระของพระองค์เนี่ยจะต้องบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยมหาปริศลลักษณะ32ประการถ้าพระองค์อายุอายุยืนต่อไปฟันก็หักผมก็งอกอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายฟันหักผมงอกผิวหนังเหี่ยวย่น อันนั้ร่างกายก็คอมลงอาการต่างๆของคนชราก็จะปรากฏความชราก็จะปรากฏซึ่งไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าที่จะดำรงอยู่ถึงขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็คนก็จะโอ้โหน่าสงสารพระพุทธเจ้าจริงเลยเนาะเนี่ยองฟันหลอหมดแล้วเนี่ยพระองค์จะฉันอะไรได้แหมฟังอย่างนี้แล้วแทนที่จะอะไรนะกลายเป็นสงสารพระพุทธเจ้าใช่ไหม เอาเอาไปเอามาบอกพระพุทธเจ้าสงสารเราหลักรายเป็นว่าเราสงสารพระพุทธเจ้าเออมันงงไปแล้วไม่รู้ว่าใครสงสารใครแล้วคะเนี่ยนะถ้ามองเห็นพระองค์ป่วยวก็กลายเป็นสงสารพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าใครโปรดใครก็ไม่รู้ว่าใครสงเคราะห์ใครก็ไม่รู้ใครช่วยใครก็ไม่รู้ก็เลยมันจะยุ่งไปหมดเลยถ้าพระองค์คืนอยู่ต่อไปเพราะเห็นอํานาจประโยชน์หลายประการพระองค์ก็เลย น, นะดับขันธปรินิพานและที่สําคัญเนี่ย พุทธเวนยที่จะให้พระองค์สองเคราะนั้นก็หมดแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเมื่อพระน์จากไปนะครั้งนั้นแหลมานผู้มีบาปเมื่อท่านพระนลหลีกไปแล้วไม่นานเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพาน ขอพระสุคตจงปรินิพานเถิดนะให้ปรินิพานในบัดนี้เลยเถิดบัดนี้หรือเวลานี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะพระองค์ก็เปิดโอกาสให้พระอนุนาราธนาให้พระชนมายุยืนต่อไปจะได้เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากพอพระอนุนไม่อาราธนาพระอนุจากไปลายมารเข้ามาแทนนะพูดพูดแบบอะไรนะให้นายากแก่คนบอกว่า ให้ท่านมีพระชนมายุยืนเธอไม่กับคนที่คนที่ควรจะอวยพรให้อายุยืนจากไปคนบอกาตายซะเถอะว่างั้นนะ่ะนะพูดแบบภาษาชาวบ้านนะว่ามาถึงว่าไออีกฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามมาบอกได้เวลาตายแล้วว่างั้นนะ่ะนะสมควรที่จะตายแล้วนะทีนี้ไอคำที่ที่มาเนี่ยนะเขาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าดับขันทัปรินิพานเนี่ย เขาก็ฉลาดนะเขาไม่ใช่ว่าคนงู้นะพยามานั้นเป็นเทพชั้นป ร, น, ปรนิมิตะวะวัตติเพราะฉะนั้นคำที่เขาอาราธนามันต้องมีเหตุผลเขาอ้างอิงเหตุการณ์เมื่อแรกตรัสรู้เนะเขาอ้างอิงเอาพระพุทธพจน์เมื่อแรกตรัสรู้มายืนยันว่าได้เวลาที่พระองค์ดับขันทัปริณิพานแล้วคือเรื่องมีอยู่ว่า ในสัปดาห์ที่1เนี่ยพระองค์ก็ประทับนั่งโพธิบาลังสัปดาที่สองอนิมิสเจดีสัปดาห์ที่3รัตนะจงกรมรัปดาห์ที่4ี่รัตนคระเจดีสัปดาห์ที่5อาชาปารณิโครสัปดาห์ที่6ก็ที่อะไรอะไรนะราสมุจลินเนี่ยนะสัปดาห์ที่7ราชายตนะสัปดาห์ที่8ก็มาประทับที่อาชาปารณิโครสีกครั้งหนึ่ง ตอนนั้นเนี่ยมารก็มาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าปรินิพานเหมือนอย่างว่าเขาบอกว่าจะอยู่ให้มันลําบากไปทําไมตรัสรู้แล้วก็ไปแต่สบายแต่เพียงคนเดียวพอแล้วไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากมายอ่ะนะคาคาก็าาว่าคําอาราธนาประเภทนั้นแหละไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องคนอื่นหรอกเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ตอบตนะก็คือปฏิเสธคําที่มารอาราธนาให้ปรินิพาน ซึ่งพระองค์ก็ตรัสตอบมานกล่าวกับมานในสมัยนั้นซึ่งมานได้ยกมาอ้างในตอนขณะนี้ว่าตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนมานผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่ฉลาดไม่ได้รับแนะนำยังไม่ก ล, กล้ากล้ายังไม่เป็นพหูสูตร ยังไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนจากบอกจากแสดงจากบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําเนกธําให้ตื้นจากแสดงธรรมนีมีปาฏิหาริย์คมขี่รัพประวัติให้เกิดขึ้นโดยเรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดดูก่อนมารผู้มีบาปเราจากยังไม่ปริเนิพยานเพียงนั้น อันนี้เหตุผลบอกว่าพราะองค์ปฏิเสธว่าไม่ยังไม่ปรินิพานต้องดูสาวกเราก่อนสาวกเนี่ยนะก็คืออริยาสาวกได้แก่พระโสดาบันพระสกท า, าคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์คือพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าหากว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะพระโสดาบันเป็นต้นถ้าท่านเหล่านั้นยังไม่ฉลาดไม่ฉลาดในอะไรในอริยมรรคท่านเหล่านั้นยังไม่ได้รับสังวรมิใน ปหารวินัยไม่สามารถที่จะแกล้ากล้าในคําสอนเหมือนอย่างว่ายังไม่ได้รับนัยยะจากพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่แกล้ากล้ากับคำสอนท่านยังไม่เป็นปะหูสูตรยังไม่สรงพระไตรปิฎกยังไม่ส่งพระไตรปิฎกยังจําพระไตรปิฎกกันไม่ได้และท่านเหล่านั้นน่ะยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือท่านยังไม่ได้เจริญวิปัสสนาสมควรแก่โลกุตระธรรมหรืออริยธรรมทั้งหลายท่านเหล่านั้นยังไม่ปฏิบัติ ชอบหรือยังไม่ได้ประพฤติตามธรรมหมายาว่ายังไม่เข้าถึงคุณธรรมชั้นสูงและยังไม่ได้เรียนกับอาจารย์มาเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันเมื่อเรียนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำเนกทําให้ตื้นหรือแสดงธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนอริยมรรต์เพราะหลักการแสดงเนี่ยต้องแสดงเบื้องต้นเตื้อยศีลท่ามกลางสมถาวิปัสนาอันนั้ปลายที่สุดคืออริยมรรต์ถ้ายังแสดงธรรมมีปาฏิหาริเช่นนี้ไม่ได้หรือยังข่มขี่ลับที่ที่หิบสอให้เรียบร้อยโดยชอบโดยถูกต้องไม่ได้ เพียงไรมารเรายังไม่ปรินิพานเพียงนั้นอันนี้ก็คยกว่าพาระริยเจ้ายังขาดความสามารถไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวไปแล้วก็ถือว่าทําอะไรยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะพระองค์เองก็บอกว่าชมแต่พระพุทธเจ้าดีเหลือเกินแต่ช่วยใครไม่ได้เลยหรือช่วยไอคนที่ช่วยก็ยังไปบริหารอริยทรัพย์ของพระองค์ต่อไปไม่ได้เลยเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วอันนี้เป็นคําที่พระองค์ตรัสเมื่อแรกตรัสรู้แรกตรัสรู้ ทีนี้บัดนี้เนี่ยนะประการตอนที่พระองค์มีพระชนมายุสามสิบห้าบัดนี้พระองค์มีพระชนมายุแปดสิบแล้วบอกว่าบัดนี้ภิกษุของพระองค์เนี่ยนะภิกษุผู้เป็นสาวก ข, ของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ฉลาดได้รับคําแนะนําแล้วทุกท่านเนี่ยก็เป็นผู้แกล้ากล้าเป็นพระหูสูตรทรงธรรม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 นะบอกว่าพระองค์บอกไว้ตอนนั้นว่าภิกษุต้องเก่งเหมือนกันเธอจริงแต่ปรินิพานบัด น, นี้ก็เก่งอย่างที่พระองค์ต้องการแล้วเพะะน้นได้เวลาปรินิพานก็เาเหมือนกับว่าอะไรอะไรนะเหมือ น, นว่าลงจากบัลลังก์ซะลงซะอะไรเงี้ยถอนตัวซะถอนตัวซะอะไรพวกพวกฝ่ายค้านกับค้านทั้งปีทั้งชาตินั่นแหละมันสรุปว่าเหตุผลใดก็ช่างละท่านสมควรตายเหมือนกัน ไ, ไอ้พวกที่ประเภทสายทหารใช่ทหารซะทหารซะด้วยเหตุนี้ก็จงประหาร ชั้นใดก็ดีในทางเนี่ยก็เหมือนกันมารก็เหมือนกันมารเนี่ยเขาไม่สบายใจเลยที่มีคนต้องบรรลุที่คนจะตรัสรู้มรรคผลเขาไม่ชอบอ้าวบางคนก็บอกเอ้ยมันเป็นไปได้หรือด้วยหรือที่จะมีคนริษยามีริษยาแบบนี้ด้วยหรือบอกนีปกติอย่าว่าบรรลุมรรคผลเลยคนให้ทานมากคนที่ไม่ให้ทานก็ริษยา คนที่รักษาศีลเนี่ยนะคนไม่รักษาศีลก็ไม่ชอบมันใส่คนที่เจริญสมถะวิปั ส, สนาเจริญงอกงามคนที่ไม่ได้เจริญก็ไม่ชอบ น, นะนะคนที่บริบูรณ์ด้วยสุขทั้งหลายไอ้คนที่ขาดแคลนสิ่งนี้ก็ไม่ชอบคนที่บรรลุมรรคผลปุถุชนก็ไม่ชอบมันก็มีหลายกลุ่มที่ไม่ชอบพวกนักต่อต้านเพราะวิธีการที่จะแก้ได้ก็เนียทำลายพระพุทธเจ้าสาราธนาให้พระองค์ ดับขันธถ้าประเศนิ้ผ่านเธอได้เวลาแล้วเนีนย่ยนะเรียกว่าทำเป็นเหมือนผู้ดีใช่ไหมแต่มารผู้มีบาปผู้มีริสยาอยู่ภายในกเรียกว่ามารผู้มีใจริสยาอยู่ภายในไม่ต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากวิสัยของตนคือหมายกันว่าถ้าคนอื่นยังอยู่ในวิสัยของตนใช้งานง่ายใช้ให้ไปขบับไปทําปานาติบาตก็ได้ใช้ให้ไปทาอาติ น, นาทานใช้ให้ไปทาชั่วอย่างไงก็ได้ แต่ถ้าเกิดพวกเขาเหล่านั้นบรรลุมรรคผลไปแล้วตัวเองก็ไม่มีอนุภาพไม่มีอำนาจอะไรเนี่ยนะใครเรียกว่าล่วงพ้นวิสัยของตนมันก็เรียกว่าพ้นจากบ่วงของมารเมื่อพ้นจากบ่วงของมารก็เรียกว่าไม่อยู่ในวิสัยมารเมื่อไม่อยู่ในวิสัยมารมานก็เลยเดือดร้อนใครเรียกว่า ป, ป่าปีมาใครเรียกว่ามารเนี่ยมารผู้ทําลายสัตว์มารผู้ฆ่าสัตว์ทําสัตว์ให้ถึงความ พินาศมาเนี่ยประกอบด้วยธรรมฝ่ายดำเออที่สําคัญรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าถ้าหากว่าพระพิสุท์ทั้งหลายวินัยตาฉลาดโดยมัตตเนี่ยนะหรือว่าพู้หูสูตตาชื่อว่าเป็นพู้หูสูตรเพราะมีสูตรตมากพระพิสุทธ์ต้องทรงพระไตรปิฎกธรรมัธราก็คือทรงธรรมคือพระไตรปิฎกนั่นแลเป็นพู้หูสูตรโดยปริยัตและเป็นพู้หูสูตรโดยปฏิเวทเนี่ยนะผหูสูตร เรียกว่าทรงธรรมทรงธรรมก็ทรงปริยัติและก็ทรงปฏิเวทนะนะปริยัตดก็คือทรงจําพระไตรปิฎกนะเป็นพระหูสูตรก็คือบรรลุมัทผลแทงตลอดโล ก, กุตระธรรมและท่านเหล่านั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่โล ก, กุตระธรรมหรือเจริญวิปัสนาสมควรแก่อริยธรรมปฏิบัติธรรมอันเหมาะปฏิบัติธรรมอันสมควรเนี่ยนะฉลาดในคําสอนของอาจารย์ แล้วก็แสดงธรรมสามารถแสะดงธรรมให้สัตว์นั้นพ้นจากทุกสามารถแสะดงธรรมให้สัตว์นั้นบรรลุมรรคผลนิพพานสามารถที่จะประกาศาศาสนะพรหมจรรย์อันสงเคราะห์ด้วยศีกขาสาแล้วก็พระาศาสนาคือคำสอนแพร่หลายไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ถ้าเป็นไปตามนี้พระองค์ก็ปรินิพพานมารก็เลยอาศัยคํานี้ที่พระองค์ตัดบอกได้เวลาสมควรแล้วเนี่ยนะ ทีนี้มานก็อันนี้อ้างพุทธบริษัทที่หนึ่งคือภิษุกทีนี้ก็อ้างบริษัทที่สองอีกว่าก็แลเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเมื่อสัปดาห์ที่8ดตนแรกตรัสรู้ว่าดูก่อนมานผู้มีบาปภิกษุนีผู้เป็นสาวิกาของเราจากยังไม่ฉลาด ไม่ได้รับคําแนะนํายังไม่แกล่ากล้ายังไม่เป็นพหูสูตรยังไม่ทรงธรรมยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนที่จกสามารถบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้ตื่นแสดงธรรมมีปาฏิหาร สามารถนนำออกจากทุกขมขีปรปรวลัลทิอื่นที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดดูก่อนมานผู้มีบาปเมื่อนั้นเราจะยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นนะตอนนั้นพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้กบัดนี้นะภิกษุณีผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุการณ์ผ่านไป45ปีบัดนี้ภิกษุณีสาวกของพระองค์เนี่ยนะสาวิกาของพระองค์ก็เป็น ผู้ฉลาดแล้วได้รับคำแนะนำดีเป็นผู้ก ล, กล้ากล้าเป็นผูู้สูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทําให้ตื่นภิกษุณีเหล่านั้นก็สา ม, มารถที่จะแสะดงธรรมมีปาฏิหารนาออกจากทุกขมขีรปรัปวารที่เกิดขึ้นโดยธรรมเรียบร้อย เพราะฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญอ น, นะเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ก็บอกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานณการบันดนี้เถิดนะฮะบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยนะมานี่ไม่ไว้เลยนะนะมานี่ไม่ไว้เลยเนี่ยนะน่าสงสารพวกเราเหมือนกันนะทํา ม, มานไม่อาราธนาะอาจจะได้ฟังธรรมก็ได้อย่างนั้น